บทภาชณีนิสักคียปาจิตตีร้อยห้าสิบพิสูจทำสันทัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีพิสูจน์ใช้ให้ผู้อื่นทำสันทัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอบัตนิสักคียาปาจิตตีพิสูจน์ทำสันทัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีพิสูจน์ใช้ผู้อื่น ให้ทำสันถัดที่ผู้อื่นทําค้างไว้จนสําเร็จต้องอบัตินิสักคิยปาจิตตีทุกทุกกดภิกษุทําเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทําเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอบัติทุกกดภิกษุได้สันถัดที่ผู้อื่นทําไว้แล้วใช้สอยต้องอบัติทุกกฏ